วันนี้เป็นวันพระเป็นวันพัฒนาจิตใจพระพุทธเจ้าทรงมีคำสั่งให้ศรัทธาญาติโยมพุทธบริสัทหยุดทำงานหยุดการพัฒนาทางลาบยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไว้หนึ่งวันแล้วให้มา พัฒนาทางจิตใจเพราะการพัฒนาของจิตใจเป็นการพัฒนาที่ดีกว่ายั่งยืนยาวนานกว่าการพัฒนาทางด้านลาบยศสรรเสริญทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นการพัฒนาแบบชั่วคราวแบบคขอนไฟ ได้มาแล้วเดี๋ยวไม่นานไม่ช้าก็เ็วก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงแต่การพัฒนาทางจิตใจนี้จะยั่งยืนกว่ายาวนานกว่าและจะเป็นถาวรได้ในที่สุด mm hmm. การพัฒนาจิตใจคือการพัฒนาตัวเรา เหานี้แหละคือจิตใจการพัฒนารากยศสารเสวนพัฒนาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นการพัฒนาสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเราเป็นของของโลกนี้ทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองต่างๆเป็นของโลกนี้ยศตำแหน่งต่างๆเป็นของโลกนี้ รางวัลต่างๆเป็นของโลกนี้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเป็นของโลกนี้เป็นสิ่งที่เราเอาไปไม่ได้ต่อให้เราหามาได้มากน้อยเพียงไรก็ตามพอร่างกายเราที่เป็นสมบัติของโลกนี้มันสิ้นสุดลงเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปหมด ถ้าเราไม่ได้พัฒนาจิตใจเลยเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยและอาจจะไม่ได้พัฒนาแล้วยังอาจจะไปทำให้จิตใจเสื่อมโทรมลงเสียด้วยซ้าไปแทนที่จะรักษาการเป็นมนุษย์ของเรากลับจะเสื่อมลงไปต่ากว่ามนุษย์คือไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไปเป็นเปรตเป็นอสูรกายไปนรกได้ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญต่อการมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาคำสอนอันประเสริฐนี้ไปปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันดับแรกคือให้เรามารักษาสถานภาพ ของความเป็นมนุษย์ของเราไว้ก่อนตอนที่เรามาเกิดนี่เรามาเป็นมนุษย์กันแต่เราจะเปลี่ยนไปในทางที่สูงขึ้นก็ได้เปลี่ยนไปในทางที่ต่ำลงก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทาของเราถ้าเราทำบุญเราก็จะดึงจิตให้ขึ้นสูงถ้าเราทำบา เราก็จะดึงจิตของเราให้ตกต่ําำดังนั้นสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามากระทํากันก็คือมารักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ด้วยการไม่กระทําบาปนั่นเองเราต้องมาถือศีลห้ากันรักษาศีลห้ากันละเว้นจากการกระทําบาปสี่ข้อ คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดประเวณีสี่ไม่พูดปดและไม่เสพอบายามุข ค, คือสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวเต่การคบคนชอบอบายามุขเป็นมิตรหน้าความเกลียดร้านนี่คือสิ่งที่เราต้องมา ทำกันก่อนเพื่อปกป้องรักษาจิตใจของเราไม่ให้ตกต่ำลงไปต่ำกว่าการเป็นมนุษย์เนถ้าเราทำบาปแล้วจิตใจเราก็จะเริ่มเสื่อมลงไปการทำบาปข้อเดียวนี้มันไม่ได้จะดึงลงไปทันทีมันก็ค่อยดึงลงไปทีละเล็กทีละน้อย เหมือนกับน้ำที่เราเทออกจากขันเรามีน้ำอยู่เต็มขันพอเราทำบาปครั้งหนึ่งเราก็เทน้ำออกไปนิดหนึ่งพอทำบาปอีกครั้งหนึ่งเราก็เทน้ำออกไปจากขันอีกนิดหนึ่งถ้าทำบาปเป็นอาจินเป็นนิสยัยเราก็จะเทน้ำออกไปจนไม่มีเหลืออยู่ น้ำนี้ก็คือคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์นั่นเองถ้าเราไม่รักษาคุณสมบัติเราทำบาปอยู่เรื่อยๆเราก็เท่ากับเทคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ทิ้งไปทำให้เรากลายเป็นเดรัจฉานไปถ้าเราทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาป หรือเราไม่เชื่อว่าบาปนี้มีจริงทำแล้วจะต้องไปรับผลบาปถ้าทำไปด้วยความไม่รู้ก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากรวยมากๆาอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากได้อะไรมากมากได้แบบง่ายๆเร็วๆก็ต้อง มาด้วยวิธีทำบาปขอรับชั่นช่อโกงรักทรัพย์อะไรต่างๆนี้จะได้เงินมาอย่างง่ายน่ารวดเร็วกว่าที่ไปทำงานทำมาหากิน เ, เป็นลูกจ้างไปรับเดือนเดือนก็จะได้เงินเดือนออกมานี้ไม่กี่ตังค์ถ้าไปขอรับชั่นได้เนี่เซ็นชื่อกักเดียว รายได้มาเป็นลายเป็นรายได้หลายเดือนหลายปีเลย ừ. การคอร์รัปชันจึงมีทั่วไปเพราะคนอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปใช้ตามความอยากกันแต่ไม่รู้ว่าการกระทำแบบนี้จะทำให้ตนเองกลายเป็นเปรตไปเวลาตายไปดวงจิตดวงใจจะกลายเป็นเปรต อางมนุษย์จะกลายเป็นเปรต ถ, ถ้าทําบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทําร้ายเราเราก็เลยไปทําร้ายเขาก่อนไปกําจัดเขาก่อนกลัวแมลงกลัวมดกลัวอะไรต่างๆเราก็เลยฆ่ามันเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้มาทําร้ายเราทําลายเรานี่เรียกว่าทําบาปด้วยความกลัว ก็จะกลายเป็นอสูรละกายออถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทใครมาพูดดูถูกดูหมิน่นใครมาทําอะไรให้เราเสียหายเดือดร้อนออก็จะต้องล้างแค้นกันอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันออทําบาปด้วยความโกรธเกลียดทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาท ท่านก็จิต ด, ดวงจิตวิญญาณก็จะกลายเป็นนรกไปนรกก็คือที่มีแต่ความร้อนไฟนรกเนี่ยไฟนรกก็คือไฟแห่งความโกรธเนี่ยเวลาเราโกรธใครเวลาเราอาฆาตพยาบาทใครนี้เราจะกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วใจมันจะร้อนนี่แหละคือสภาพของจิตใจที่ลงต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ ถ้าไปทำบาปมีอยู่สข้อแล้วก็มีอบายามุกอยู่ห้าข้ออบายามุกนี้เป็นเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำบาปถ้าไม่เสพอบายามุกนี้การจะทำบาปนี้จะยากจะไม่มีเหตุไปให้ทำแต่ถ้าเสพอบายามุกแล้วจะมีเหตุ ที่จะสนับสนุนให้ไปกระทำบาปได้อย่างง่ายดายดื่มสุรายาเมาพอมืนเมาก็ไม่มีสติสตางที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็พูดไม่ดีออกมาทำอะไรไม่ดีคนที่เสพสุรายาเมานี้จะเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เพราะ ไม่มีสติสตังที่จะควบคุมอารมณ์ควบคุมการพูดการกระทําของตนให้อยู่ในสภาพที่ไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองใครเห็นคนเมาแล้วต้องถอยต้องหนีเหมือนเห็นหมาบ้าหมาบ้ามันก็เหมือนกับไม่มีสติสตังมันเจออะไรมันก็กัดเอา คนเมาเนี้พอเจอใครก็จะพูดจาหยาบคายพูดจารวนรามแล้วถ้าไม่พอใจก็ทุบข้าวทุบของหรือทุบตีคนนั้นคนนี้นี่ก็จากการดื่มสุรายาเมาไม่มีสติไม่มีสตางค์ทำให้ไปทำความเสียหายทำบาปได้จึงไม่ควรดื่มสุรายาเมา ถ้าขับรถเมาแล้วขับเดี๋ยวก็ต้องเกิดอุบัติเหตุทาให้ผู้อื่นไม่รู้อิ่วอิเหนจะต้องมาเสียชีวิตต้องมาพิกลพิการกับการบ่ญเมาของเราจึงไม่ควรดื่มสุรายาเมาถ้าอยากจะดื่มก็ต้องผูกมัดตัวเองไว้ที่เตียงพอเมาแล้วก็นอนเลย อย่างนี้ก็จะอย่างน้อยก็ไม่ไปทำความเสียหายให้แก่ผู้อื่นแต่มันก็ไม่เป็นการกระทำที่ดีเพราะคนเมาแล้วทำอะไรที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ไปทำงานทำการก็ไปไม่ได้ถ้าเมาบ่อยๆเดี๋ยวก็ต้องตกงานจะไม่มีใครจ้างไปทำงานเวลาไปทำงานแล้วขอได้กลิ่นสุราออกมาจากปากนี่ เดี๋ยวเขาก็ไล่ออกจากงานไปอแล้วดื่มแล้วมันติดดื่มแล้วมันเลิกไม่ได้เวลาไม่เดิมมันหงุดหงิดลำคาญใจก็เลยดื่มเนี่ยมีข่าวเร็วๆเนี่ยนักบินขับเครื่องบินโดยสารเนี่ยดื่มสุราก่อนขึ้นเครื่องตำรวจเขารู้เข้าเขาเลยจับนะไม่ให้ขึ้นไปไปขับเครื่องบินเมาเดี๋ยวตกทั้งลำเนี่ย นี่คืออันตรายของการดื่มสุรายาเมาเนีงั้นอย่าอย่าดื่มคนที่ดื่มสุรายาเมานี่เบื้องต้นอาจจะเป็นเพราะอารมณ์ไม่ดีไม่สบายใจมีปัญหาแก้ไม่ตกก็เลยดื่มสซลาพอดื่มสวราแล้วมันก็ทำให้ลืมเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาไป ก็หายเครียดไปชั่วคราวเดี๋ยวพอหายเมาก็มันก็กลับมาใหม่เรื่องเรื่องที่เป็นปัญหามันไม่หายไปมันหายไปตอนที่เมาเพราะไม่ไปได้ไม่ไปคิดถึงมันพอหายเมาแล้วก็กลับมาคิดถึงเรื่องที่เป็นปัญหาก็เครียดขึ้นมาอีกก็ดดิมอีกดื่มสลายอีกเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ดื่มไปดื่มมาก็ติด มีปัญหาหรือไม่เป็นมีปัญหาก็ต้องเดิมอยู่เฉยๆแล้วรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปถึงเวลาเดิมมันถ้าไม่ได้เดิมมันก็งดเกิด็ดพอเดิมแล้วมันก็เมาแล้วก็ไปอาลวาดไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น นี่คืออาบายมุกผู้สับเขาเรียกว่าผู้สนับสนุนการกระทำบาปหรือสปอนเซอร์ในสมัยภาษาปัจจุบันนี่เรียกว่าสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการเห็นไหมรายการต่างๆนี่ถ้าไม่มีสปอนเซอร์นี่ออกมาไม่ได้อย่างรายการนี้ก็มีสปอนเซอร์เหมือนกั น, นมีญาติโยมผู้มีจิตจัดทาใจบุญสนทาน ให้การสนับสนุนซื้อเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาออมาสนับสนุนในการถ่ายทอดและยังสละเวลาอันมีค่ามาควบคุมเครื่องไม้เครื่องมือมาทำการออถ่ายทอดสดให้ญาติโยมที่อยู่ที่ทางบ้านทั่วโลกออไม่ใช่เฉพาะแต่ทั่วประเทศเดี๋ยวนี้ไปทั่วโลก เคยสำรวจแล้วมีหลายประเทศด้วยกันสามสี่สิบกว่าประเทศในจังหวัดต่างๆก็หกสิบกว่าจังหวัดมีผู้ติดตามรับชมรับฟังการแสดงธรรมอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวันก็มีสปอนเซอร์ต้องมีผู้สนับสนุนสนับสนุนทั้งทางด้านเงินทองสนับสนุนทั้งทางด้านเวลากังลังกาย กำลังใจสละเวลาอันมีค่าแทนที่จะไปหาเงินหาทองแทนที่จะไปเที่ยวหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มาช่วยเผยแผ่ธรรมะมาให้ธรรมทานเพราะมีความศรัท ธ, ธามีความเชื่อในคำสอนที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้ทมชนะการให้ทั้งปวง เพราะธรรมนี้เป็นของมีค่าที่สุดมีค่ายิ่งกว่าข้าของเงินทองเพชรนินจินดาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าข้าของเงินทองหรือเพชรนินจินดาต่างๆนี้ไม่สามารถทำที่สิ่งที่ธรรมะทำได้คือปลดปลื้งความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ทรัพย์สิสนทรัพย์สินเงินทองนี้ ปลดเปลื้องความทุกข์ทางร่างกายได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถปลดเปลื้องความทุกข์ทางใจได้เป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านก็ยังไม่สามารถกาจัดความทุกข์ทางใจได้แต่ถ้าเป็นเศรษฐีทางธรรมนี่จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยเศรษฐีเศรษฐีทางธรรมก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกนี่แหละ ท่านเป็นเศรษฐีทางธรรมใจของท่านมีธรรมเป็นสมบัติมีธรรมมาปลดเปื้องมากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปแล้วท่านก็ใจดีใจกว้างไม่หวงทรัพย์สมบัติคือธรรมสมบัติเอาธรรมสมบัตินี้มาเผยแผ่แจกจ่ายให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย พระพุทธเจ้านี้ทรงจากธรรมะทุกวันวันละสามสี่รอบด้วยกันตอนบ่ายจากแสดงธรรมให้กับศรัทธาญาติโยมตอนค่ำแสดงธรรมให้กับพระภิกษุภิกษุณียามดึกแสดงธรรมให้กับเทวดาและยามเช้าก่อนจะเสด็จออกบินธบัดโบสถสัตว์ก็ทรงเล่งยานว่ามีใครที่จะรอรับธรรมันประเสริฐ เป็นกรณีพิเศษในวันนั้นเ่นอาจจะมีความมีความพร้อมที่จะบรรลุทำได้หรือชีวิตใกล้จะสิ้นสุดลงถ้าไปโปรดคนนั้นได้ก่อนให้เขาได้มีดวงตาเห็นธรรมเขาก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอกีก ถ้ากลับมาก็ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากพระองค์ก็จะมุ่งไปโปรดคนนั้นในวันนั้นก่อนท่านพระพุธเจ้านี้ให้ธรรมทานออสี่รอบด้วยกันทุกวันตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีจึงปรากฏมีเศรษฐีธรรมปรากฏขึ้นมาในโลกนี้มากมายออคือพออาระอรหันตสาวกทั้งหลาย แล้วพออาระอรหันตสาวกทุกรูปก็ช่วยพระพุทธเจ้าเอาธรรมะอันประเส ร, ริฐนี้มาแจกจ่ายกันต่อไปาศาสนาพุทธเราจึงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้อยู่ได้ด้วยการเสียสละแบ่งปันธรรมะของพระพุทธเจ้าและของพออาระอรหันตสาวกทั้งหลายนีย่แหละคือเรื่องของ ธรรมะที่มีศรัทธาญาติโยมมาเป็นสปอนเซอร์มาสนับสนุนเรียกว่าสปอนเซอร์ในทางดีสปอนเซอร์ไปในทางบุญออถ้าเป็นสปอนเซอร์แบบนี้เป็นไปเถิดมีแต่คุณมีประโยชน์อย่าไปเป็นสปอนเซอร์ในการกระทำบาปท้งของตนเองและของผู้อื่น อ, อ, อย่าซื้อสุรายาเมาให้ตนเองดด่ม อย่าไปซื้อสุรายามเมาให้คนอื่นดืม่มถึงแม้จะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ตามถ้าขอบอกให้ไปซื้อสุรามาดื่มก็ทาเป็นหูตึงไปทาเป็นไม่ได้ยินไปหรือได้ยินแต่ก็ไม่ต้องไปทำทาเป็นลืมไปเพราะว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับผู้ดืม่มไม่ได้เป็นการช่วยสนับสนุนให้เขา มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงลกลับไปทำให้เขามีความทุกข์มากขึ้นมีความสุขน้อยลงและดึงจิตใจของเราของเขาให้ตกต่าลงจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะสนับสนุนไม่ควรเสพอบายามุขนี่คือดื่มโซราเล่นการพนันก็เหมือนกันเล่นการพ น, นันมันจะต้องมีวันเสีย ตอนต้นอาจจะได้พอได้ก็ชลาใจก็โลภอยากจะได้อีกก็เล่นต่อพอเล่นต่อเล่นไปมันก็ต้องมีวันเสียพอเสียทีนี้ก็อยากจะเอาคืนอีกก็ต้องเล่นต่ออีกแสดงสรุปคือพอเล่นแล้วเลิกไม่ได้เล่นแล้วก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆได้ก็โลภอยากจะได้มากขึ้นพอเสียก็อยากจะได้คืนเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวทรัพย์ก็หมด หมดก็ต้องขายทรัพย์สินมีข้าวของเงินทองในบ้านก็เอามาขายขโมยขึ้นบ้านมันยังดีมันขโมยแต่ทรัพย์เท่านั้นเองแต่ผีพนันนี่มันขโมยนอกจากทรัพย์แล้วมันขโมยบ้านด้วยขโมยที่ดินด้วยไฟไหม้บ้านมันก็ไหม้เพียงแต่บ้านแต่ที่ดินยังอยู่แต่ผีพนันนี่มันเอาหมดเนย พอไม่มีเงินเล่นก็ขายทรัพย์สมบัติขายบ้านขายที่ดินเอามาเล่นแล้วดีไม่ดีอาจจะขายชีวิตต่อไปเพราะพอไม่มีอะไรจะขายแล้วทีนี้ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากพวกนักเลงผูม้มีพวกอันธพาลพอไปกู้หนี้ยืมสินเขาแล้วถ้าไม่ใช้เดี๋ยวเขาก็ต้องมาหามามา ทำทำร้ายตอนต้นก็นมาข่มขู่แล้วก็ทำร้ายร่างกายถ้ายังไม่เอามาคืนก็อาจจะต้องฆ่าเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างให้ผู้อื่นที่จะมากู้หนี้ยืมสินเห็นเป็นตัวอย่างนี่คือผลจากการเล่นการพนันมีความเสียหายตามมาทั้งทางทรัพย์สิน ทางจิตใจก็จะทำให้ต้องไปหาทรัพย์มาโดยไม่ชอบเวลาไม่มีเงินเล่นก็ต้องไปชอ่อกงใบรักขโมยไปป้นไปจี้เพื่อที่จะได้มีเงินทองมาเล่นการพนันต่ อ, อการเที่ยวเตะก็แบบเดียวกันการเที่ยวเตะก็มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับนั่นเอง ยาเดียวออกไปเที่ยวครั้งหนึ่งนี้หมดไปกี่ตังค์มีเงินกลับคืนมาได้กำไรไหมมีแต่ขาดทุนแต่ไม่รู้สึกว่าดียินดีที่จะขาดทุนแบบนี้นะเวลาไปเที่ยวนี้ขาดทุนกี่กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นบาทนี้ไม่บ่นเลยเวลาค้าขายขาดทุนสองสามร้อยก็บ่นนะแต่เวลาไปเที่ยวขาดทุนเป็นหมื่นเป็นพันนี้ไม่บน่นดีใจมีความสุขจากการขาดทุน แล้วถ้าเที่ยวบ่อยๆมันก็จะไม่มีเวลาไปทำงานเอาไม่ทำงานรายได้ก็ไม่มีมีแต่รายจ่ายเดี๋ยวเงินทางที่มีก็ไม่พอใช้ไม่พอใช้ก็ต้องไปหาโดยวิธีอื่นวิธีที่ง่ายๆเร็วๆมากๆ ก, ก็คือวิธีโกงนั่นเองขอรับชั่นช่อโกงลักทรัพย์ของผู้อื่นหลอกลวง นี่คืออบายามุขที่สนับสนุนในการกระทำบาปคนที่ชอบอบายามุกก็เหมือนกันถ้าเราไปคบเขาเดี๋ยวเขาก็ชวนเราไปทำตามที่เขาชอบถ้าเขาชอบดื่มสรุราเดี๋ยวก็ชวนเราเดื่มสรุราชอบเล่นการพนันก็จะชวนเราไปเล่นการพนันชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวยนันอย่าไปคบกับคนที่เสพอบายามุขเป็นมิตร ครบได้ถ้าจำเป็นจะต้องทำงานร่วมกันแต่เวลาที่เขาชวนเราไปเสบอบายยมุกเราก็ต้องปฏิเสธไปถ้าต้องเสียมิตรเขาไม่อยากจะคบกับเราก็ไม่เป็นไรก็การครบกับอบายา ก, กับคนที่ชอบเสษอบายยมุกก็เหมือนกับคบกับโจร ด, ดีนี่ถ้าโจรเขาไม่อยากจะคบกับเราก็ดีเราจะได้ปลอดภัย ถ้าเราครบกับเขาเก่งใจเขาเขาชวนไปกินเหล้าก็ต้องไปเขาชวนเล่นการพนันก็ต้องเล่นแล้วเดี๋ยวเราก็เสียคนได้นี่ก็อบายมุขอีกข้อหนึ่งคือการครบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรเนี่ยแล้วข้อสุดท้ายของอบายมุขก็คือความเกลียดคร้าความเกลียดคั้าจะไม่นำอะไรมาไม่มีรายได้จากการเครียบ จากความเกลียดค้านความขยันหมั่นเพียรต่างหากที่จะพาให้เรามีรายได้ที่จะมาทำให้ชีวิตของเราอยู่อย่างสุขอย่างสบายถ้าเกลียดข้านแล้วเราจะไม่ไปทำงานทำมาหากินจะไปเที่ยวไปเล่นกันเงินทองก็จะไม่มีรายได้ก็จะไม่มีก็ต้องไปหารายได้แบบช่อกงแบบลักขโมยหรือไปปล้นไปจี้ นี่คือผู้สนับสนุนการกระทำบาปห้า ห, าหาข้อด้วยกันดื่มสุราเล่นการพนันเที่ยวเตรครบคนชอบอบายามุขเป็นมิตรและความเกียดคราญพยายามหลีกเลี่ยงการเสพอบายามุขแล้วโอกาสที่จะไปทำบาปนี้ก็จะมีน้อยลงไปแต่ไม่หมด ว่าการจะทำบาปยังมีเหตุอย่างอื่นที่อาจจะมาบีบบังคับให้ทำบาปได้ก็คือเวลาลุกแก่โลภโทสะหรืโมหะเวลาโลภมากๆก็บางทีก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปทำบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่อยากได้มาเวลาโกรธมากๆาก็อาจจะต้องไปทำบาปเพื่อระบายความโกรธ เวลาหลงก็ไปทําบาปกันนะฉะนั้นแต่อย่างน้อยถ้าเราไม่เสพระบายามุกแล้วโอกาสที่จะทําบาปนี้มันมีน้อยมากนี่คือขั้นแรกของการพัฒนาจิตใจคือต้องนักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ก่อนอย่าให้มันลดลงต่ํากว่าความเป็นมนุษย์ถ้าไปทําบาปด้วยการ ด้วยความไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีบาปมีเป็นกฎแห่งกรรมทำบาปแล้วต้องไปเกิดเป็นไม่ต้องไปเกิดในอบายทำด้วยความทด้วยความจำเป็นเช่นต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เลยต้องไปมีอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆพอเห็นว่ากฎหมายเขาไม่ถือว่าผิดเนี่ แต่ไม่รู้ว่ากฎแข่งกรรมยังถือว่าผิดอยู่ถ้าทำบาปแบบนี้ก็ไปเป็นเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานเขาก็ไม่รู้เวลาเขาทำบาปว่าเขาทำบาปแล้วเขาจะต้องไปรับผลบาปเขาทำเพราะเขาเพื่อเอาความอยู่รอดก็เลยต้องเป็นเดรัจฉานกันถ้าทำบาปด้วยความโลภเนี่ยก็จะไปเป็นเปรตเปรตนี่เป็นพวกที่ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ ได้มากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนก็ไม่พ อ, อท่านเลยเปรียบเปรดเหมือนกับคนที่มีปากเท่ารูเข็มท้องเท่าตุ่มน้ำ เติมน้ำเข้าไปเท่าไหร่มันก็รู้ไม่รู้สึกจะเต็มทันทีเพราะดูเข้ามันนิดเดียวดูเข็มน้ำเข้าไปได้นิดเดียวแล้วเมื่อไหร่มันจะทำให้มันเต็มตุ่มอันนี้ก็เหมือนกันความโลภความอยากมันกว้างใหญ่เท่ากับตุ่มได้เงินทองมามากน้อยเพียงไรก็รู้สึกไม่อิ่มไม่พอเสียที ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยอยู่ตลอดเวลาเวลาตายไปจะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยถ้าทําบาปด้วยความกลัวเป็นอสุรกายก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวสะดุ่งหวาดผวาอยู่ตลอดเวลาถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นดวงวิญญาณที่รุ่มร้อนด้วยความโกรธเกลียด อาคาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกินไม่ได้นอนไม่หลับนะนี่คือเหตุที่จะพาให้จิตใจตกต่าคือการทำบาปและการเสพอบายามุขพระพุทธเจ้าจึงห้ามสอนห้ามให้ละการกระทาบาปทั้งปวงทั้งปวงก็คือทั้งบาปทั้งอบายามุขนั่นเองนี่คือ สิ่งแรกที่ในขั้นตอนของการพัฒนาจิตใจขั้นต้นก็ต้องอย่าให้มันลงต่ำํำพอมันไม่ลงต่ำแล้วทีนี้เราถึงจะดึงมันขึ้นสูงได้จากมนุษย์ไปเป็นเทวดาก็ต้องทําบุญทำทานนี่ต้องมีจิตใจที่เมตตากรุณาเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีของกินของใช้ที่เหลือเฟือ มากกว่าที่จะใช้ได้ด้วยตนเองเก็บไว้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับตนเองตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาส่วนนี้ไปทำบุญทำทานเอาไปแจกใจ่ายให้กับผู้ที่เขาขาดแทนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนจะทาที่ไหนก็ได้ทาที่วัดก็ได้ทาที่บ้านก่อนก็ได้เราก็ทำตามความสำคัญ สิ่งแรกต้องทำก็ต้องทำที่บ้านก่อนคนที่บ้านต้องอยู่ดีกินดีกันก่อนไม่ใช่ไปทำท่ข้างนอกบ้านแล้วปล่อยให้คนในบ้านอดอยากขาดแคลนก็ไม่ได้เบื้องต้นก็ทำที่บ้านก่อนดูแลคนที่บ้านให้อยู่ดีกินดีตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายลงมาพอคนในบ้านอยู่ดีกินดีแล้วทีนี้ก็ไปนอกบ้าน จะไปทําที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นพุทธเราก็ทําที่วัดก่อนเพราะวัดเป็นที่พึ่งของเราวัดเป็นเหมือนโรงพยาบาลรักษาใจของเราเวลาใจเราทุกข์เรามีที่ไปรักษาคือที่วัดถ้าเราไม่สร้างวัดไม่สนับสนุนวัดเวลาเรามีความทุกข์นี่เราไม่มีไปไม่มีที่ไปดับทุกข์เราก็จะไปดับแบบคนที่ไม่มีวัดก็คือไปเข้าบ่อนเข้าบานั่นเองไปเสพบ า, บายามุ เพื่อกำจัดความทุกข์แต่มันก็เป็นการกำจัดแบบชั่วคราวเวลาเข้าบ่อนเข้าบามันก็ลืมเรื่องความทุกข์ต่างๆไปชั่วคราวแต่พอกลับบ้านก็มาเจอความทุกข์อันเดิมรอยอยู่แต่ถ้าไปวัดนี่ไปวัดจะสามารถกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้แล้วกลับบ้านจะไม่เอาความทุกข์กลับมาความทุกข์จะหายไป พระวัดเป็นเหมือนโรงพยาบาลรักษาโรคใจนั่นเองดังนั้นถ้าเราเป็นชาวพุธทธที่ที่เราจะไปทําบุญทำทางในเบื้องต้นหลังจากทําที่บ้านแล้วก็คือไปที่วัดนั่นเองแต่ถ้าเราไม่เป็นชาวพุทธเราจะไปทําที่อื่นก็ได้ถ้าเราเป็นชาวอิสลามเราก็ไปทําที่สุเหรา่าถ้าเป็นคิดก็ไปทําที่โบสถ์ ก็เหมือนกันเขาก็ต้องไปที่โงรงพยาบาลของเขาแต่ศาสนาก็เป็นเหมือนโงรงพยาบาลรักษาโรคใจ mm. ก็ได้บุญเหมือนกันคนไปทำบุญที่สุราวเขาก็ได้บุญคนที่ไปทำบุญที่โบสถ์เขาก็ได้บุญคนที่ไปทำบุญที่วัดก็ได้บุญเหมือนกันได้เป็นเทวดาเหมือนกันได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเหมือนกันถ้าต้องการ ให้จิตใจสูงขึ้นไปเป็นเทวดานี่นอกจากรักษาศีลแล้วก็ต้องทําบุญบางคนเขาไม่ชอบทําบุญเขาเขาถามว่าเราไม่ได้ทําบาปแค่นี้ไม่พอเลยก็พอไม่ทําบาป ก, ก็พอทําบาป ก, ก็ทําให้คุณ ร, รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้แต่ถ้าคุณอยากจะเป็นเทวดา อยากจะเป็นเทพอยากจะเป็นไปสวรรค์คุณก็ต้องทำเพิ่มต้องทำบุญทำทานทำกับใครก็ได้ทำที่วัดทำที่บ้านแล้วก็ทำที่วัดต่อไปก็ไปทำโรงพยาบาลเพื่อรักษาร่างกายของเราร่างกายของเราก็ต้องมีโรงพยาบาล เราก็ไปทําที่โรงเรียนสนับสนุนการศึกษาให้ลูกหลานเราได้มีวิชาความรู้เพื่อที่จะได้มาพัฒนาประเทศกันเพื่อจะได้มารักษาความสงบของสังคม <c oughs> คนที่มีความศึกษามักจะไม่ต้องไปทำมาหากินแบบเบียดเบียนผู้อื่นเพราะมีความรู้ที่สามารถหาเงินหาทองได้โดยที่ไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่น คนที่ไม่มีการศึกษานี้จะไม่สามารถหาเงินหาทองแบบไม่เบียดเบียนผู้อื่นได้บางทีก็ต้องไปขโมยไปทำอะไรต่างๆทำให้สังคมวุ่นวายเดือดร้อนเพราะขาดการศึกษาเราก็ต้องมีการสนับสนุนการศึกษาทำบุญด้านการศึกษาให้ทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนยากไร้ต่างๆ อย่างสมเด็จพระสังฆราชยาณสังวรท่านก็สร้างโรงเรียนระดับมัธยมม .1 ถึงม .3 ให้เด็กมาเรียนฟรีอยู่สามปีกินฟรีอยู่ฟรีเรียนฟรีเพื่อจะได้เรียนทั้งทางโลกและทางธรรมท่านห่วงเรื่องจริยธรรมเพราะการศึกษาสมัยนี้จะไปทางตะวันตกกันจะไม่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรมคือการพัฒนาจิตใจนั่นเองเอก็เลยสร้างโรงเรียนนี้เพื่อมาให้เด็กได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้เรื่องของศีลธรรมเรื่องจริยธรรมเรื่องของความกตัญญูกตวเวทีเรื่องของการ ม, มีสัมมาคารวะต่อผู้มีผู้หลับผู้ใหญ่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความขยันหมั่นเพียรมีความเสียสละ อนี่เป็นสิ่งที่โรงเรียนที่สมเด็จพระสังฆราชสร้างขึ้นมามีจุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจด้วยไม่ใช่เพียงแต่ทางด้านความรู้ทางโลกเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของอการทําบุญทําทาน่สมเด็จพระสังฆราชท่านมีศรัทธาญาติโยมทําบุญกับท่านมากเมื่อท่านเห็นว่าวัดวามีความพอเพียงแล้ว ก็เอาเงินที่ส่วนเกินนี้ไปทำเรื่องทำด้านการศึกษาไปสร้างโรงเรียนสนับสนุนเด็กยากจนให้ไายมาเริ่มมาเรียนได้มาศึกษาได้ทั้งความรู้ทางโลกและได้ความรู้ทางธรรมเพื่อจะได้เป็นคนดีของสังคมต่อไปนั่นเองจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น เป้าหมายของการทำบุญทาทานของเราต้องเล็งที่ประโยชน์ของผู้รับคือหนึ่งให้เขาได้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนถ้าขาดแคลนปัจจัยสี่อาหารที่อยู่เครื่องนุ่งหม่มนี่ยารักษาโรคเราก็ช่วยกันไปทางด้านปัจจัยสี่เช่นเวลามีน้ำท่วมมีไฟไหมเห็นหเราก็เรียลายกันช่วยเหลือกัน ส่งสเบียมกันไปส่งชุดปัดจจัยสี่มียามีอาหารมีเครื่องใช้ไม่ส้อยอะไรต่างๆมีสบู่มีแปรงสีฟันมียาสีฟันมียาแก้ไข้แก้ปวดนี่ก็เรื่องของปัจจัยสี่ต้องเล็งประโยชน์ของผู้รับเนียอย่าไปเล็งความสวยงามหรือหรูหราส่งเพชรไปให้คนที่เขาน้ำท่วมมันไม่มีประโยชน์ เขาไปกินไม่ได้บางทีส่งของไปให้ของที่เขากินไม่ได้อย่าส่งไปของที่จำเป็นบางทีไม่มีคืนไม่มีไฟนี่จะไปส่งของที่เข้าสารไปเขาก็หุงไม่ได้ก็ต้องเร็งประโยชน์เวลาที่ไปช่วยเหลือใครว่าเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทันท่วงทีหรือเปล่าบางทีมัน ต้องเอาอาหารแบบที่ไม่ต้องหุงอาหารสำเร็จรูปเปิดกระป๋องก็กินได้เลยไม่ใช่เอาข้าวสารเอาหมูเอาอะไรไปแล้วเขาไม่มีที่ไม่มีเตาไม่มีไฟไม่มีกระทะไม่มีหม้อเขาจะไปทำกับข้าวกินได้ยังไงนะการทำบุญทาทานก็ต้องใช้ปัญญาด้วยนะต้องดูว่าผู้รับนี้เขาขาดอะไรนะถ้าไม่รู้ก็าถามได้ถามว่าขาดแคนอะไร ไม่ใช่ว่าจะถามไม่ได้แม้แต่พระก็ถามได้วัดก็ถามได้แต่พระบอกไม่ได้นขอไม่ได้ท่านเองญาติโ ย, ยมต้องถามถ้าไม่รู้ว่าเขาขาดอะไรก็ถามขอได้ว่าที่นี่ขาดอะไรบ้างถ้าเขาขาดเขาก็บอกได้ถ้าเขาไม่ขาดเขาก็บอกว่าไม่ขาดก็ไมื่อไม่ไม่ขาดก็ไปทำที่อื่นทำที่ขาดแคลนนี่คือเรื่องของการทาบุญทาทาน ขอให้เราเลงดูประโยชน์ของผู้รับเนี่ยบุญที่เราได้เท่ากันไม่ว่าจะทํากับที่ไหนบุญที่เราได้รับเกิดจากปริมาณของการเสียสละของเราเสียสละมากก็ได้บุญมากเสียสละน้อยก็ได้บุญน้อยไม่ใช่เสียสละน้อยแล้วไปทํากับพระพุทธเจ้าจะได้มากนี่หรือเสียสละมากแล้วไปทํากับขอทานแล้วจะได้น้อยก็ไม่ใช่เนี่ย ถ้าเรื่องของการเสียสละมันอยู่ที่ปริมาณของการเสียสละของเราแต่เรื่องของผู้รับนี้ก็มีส่วนที่จะทำให้เราได้บุญเพิ่มแต่มันเป็นเรื่องคนละบุญกันไม่ได้บุญที่เกิดจากการเสียสละแต่เป็นบุญที่เกิดจากผู้รับจะให้กับเราบุญที่ผู้รับจะให้กับเราคืออะไรก็คือธรรมะนี่เองคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ถ้าเราไปทำบุญกับคนที่ไม่มีธรรมะเราก็จะไม่ได้บุญเพิ่มได้บุญจากการเสียสละเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปทำบุญกับพระที่มีธรรมะเราก็จะได้ธรรมะกลับมาเป็นบุญเพิ่มเป็นสองสองสองเด้งพูดง่ายๆทำบุญได้สองเด้งถ้าไปทำบุญกับผู้ที่มีธรรมะผู้มีธรรมะมากก็จะได้มาก เขาถึงเปรียบเทียบ ว, ว่าถ้าทำบุญกับพระธรรมดาได้หนึ่งเท่าทำบุญกับพระอริยโสดาบันได้สิบเท่าทำบุญกับพระสกิทาคามีได้ร้อยเท่าพระอนาคามีได้พันเท่าพระอรหันต์ได้หมื่นเท่าพระพุทธเจ้าได้ล้านเท่าเพราะว่าแต่ละท่านมีธรรมะมากน้อยต่างกันนั่นเองพระโสดาบันยังมีไม่เท่าพระพุทธเจ้า พระอัญญาทรมีก็ไม่เท่าเนี่ยเพราะกำลังพัฒนาอยู่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาขั้นต่างๆก็ความรู้ที่ได้ที่จะให้กลับมาก็ไม่เท่ากันนั่นเองอันนี้ต้องเลือกถ้าต้องการที่จะได้รับธรรมะจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยเราก็ต้องเลือกเอาพระที่มีธรรมะเยอะๆถ้ารู้ว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่นี่ก็ไปหาพระพุทธเจ้ากันก่อนเลย แต่พวกที่ไปแล้วไม่ฟังธรรมก็เหมือนไม่ได้ไปอยู่ดีไปทําบุญใส่บาศเสร็จก็กลับบ้านพอได้รับพรเสร็จก็กลับบ้านไม่อยู่ฟังธรรมต่อก็ได้เพียงหนึ่งเด้งเท่านั้นเองได้บุญจากการเสียสละถึงแม้ได้ไปทํากับพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ถ้าทําแล้วไม่ฟังเทศฟังธรรม ก็ไม่ได้อะไรจากพระพุทธเจ้าได้เพียงแต่การทำบุญกับพระพุทธเจ้าได้สนับสนุนช่วยบรรเทาความขาดแคลนของพระพุทธเจ้าคือปัจจัยสี่แต่จะไม่ได้ธรรมะจากพระพุทธเจ้านี่เรื่องของการทำบุญเพื่อยกระดับจิตใจของเราจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาต้องมีการทำบุญทำทานและ การทำบุญทำทานก็ต้องรู้ว่าทำเพื่อทำวิธรรมแล้วจะได้อย่างไรได้แบบไหนมีได้สองแบบแบบแรกก็คือได้จากการเสียสละอันนี้ทำให้เป็นเทวดาทันทีแต่ถ้าได้ธรรมะนี้จะได้เป็นพระอริยะเจ้าสูงกว่าการเป็นเทวดา ทําบุญปั๊บได้ใส่บาดปั๊บได้เป็นเทวดาพอฟังธรรมเสร็จเป็นพระโสดาบันขึ้นมาอ่าวนี่สูงกว่าเทวดาแล้วเนี่ยไปเป็นพระอริยเจ้าตัดภพชาติให้เหลือเพียงเจดชาติขึ้นมาทันทีแต่ถ้าทําบุญอย่างเดียวใส่บาดอย่างเดียวไม่ได้ฟังธรรมก็ได้เป็นเทวดาตายไปก็ไปเป็นเทวดาอยู่หลายร้อยปีหลายพันปีแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเริ่มต้นใหม่ แต่ถ้าไปเป็นพระโสดาบันนี้กลับมาเริ่มเป็นมนุษย์อีกแต่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่กลับมาทาต่อนอจากโสดาบันก็จะไปขึ้นไปเป็นส ก, กิ ด, ดาคาจอส ก, กิ ด, ดาคาก็ไปเป็นอนาคาไปเป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับพอเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป อนี่คือประโยชน์จากการที่ไปทำบุญกับพระอริยบุคคลจะได้ธรรมะเป็นเครื่องตอบแทนเป็นของชํารวยเป็นของตอบแทนไปใส่บาตแล้วพระท่านก็แจกพระแจกพระธรรมเงินแต่สมัยนี้พระไม่มีพระธรรมก็เลยแจกพระเครื่องแทน ใชไมไปทาบุญที่วัดนี้มีพระเครื่องแจกกันไม่หมดมีหลายราคาด้วยทาบุญน้อยบาทก็เอาทองแดงไปทาบุญพันบาทก็เอาเงินอปถ้าทาบุญหมื่นบาทก็เอาพระเครื่องทองคำไปอันนี้มันก็เป็นแค่วัตถุไม่ใช่เป็นธรรมะเป็นพระเครื่องไม่ใช่เป็นพระธรรมไม่มีประโยชน์ต่อจิตใจแต่อย่างใด กลับมามีปัญหากับจิตใจเพราะต้องมาคอยดูแลรักษาแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียใจเวลาหายไปเป็นทุกข์ขึ้นมาอันนี้ไม่ควรที่จะไปรับของแบบนี้ควรจะไปรับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้พระธรรมคาสอนแล้วความทุกข์จะลดน้อยถอยลงไปไม่มากขึ้นใจจะเบาเบาลงเบาลง สิ่งที่หนักอกหนักใจนี่มันจะค่อยๆหายไปเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าจะสอนให้เรารู้จักปล่อยวางให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่าไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆเพราะว่ามันยังไงก็ออกไปไม่ได้ตายไปก็ออกไปไม่ได้อยู่ก็ทำให้พลุงพลังทำให้หนักอกหนักใจไปเปล่าๆอย่าไปมีมันดีกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรเนะี่ยดีที่สุดเนี่ย อันนี้เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมถ้าฟังเทศฟังธรรมท่านจะสอนให้เราปล่อยวางด้วยการฝึกจิตด้วยการทำจิตให้สงบจิตสงบแล้วจิตจะปล่อยวางโดยอัตโนมัติแล้วจิตจ ะ, จะเบาจะสุขจะสบายอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากการทำบุญทำทานถ้าเราเลือก กับบุคคลที่เราต้องการจะทำแต่ก่อนที่จะไปทำกับบุคคลภายนอกก็ควรจะทำกับบุคคลภายในก่อนคือบิดามดาปูย่าตายายผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราอย่าทอดทิ้งผู้ใหญ่ คนแก่คนชราที่ไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้บางคนลืมพ่อลืมแม่ลื ม, ม, ลมปูย่ย่าตายายเพราะคิดแต่คิดถึงแต่พระพุทธเจ้าคิดถึงแต่พระอาหารหันต์อยากจะไปทําบุญกับพระอาหารหันต์ทำบุญกับพระพุทธเจ้าพอไปถึงวัดพระอรหันต์ก็ไล่กลับมาบอกอย่ามาเนียมันก่อนไปอ่านในเพจมีภาพ ร, รูปหนึ่งทนะี่ว่าย้ําเงินทองมาให้เราอย่ามาให้วัดเอาไปให้ที่บ้านเอาไปเลี้ยงดูพ่อแม่เอ ทีนี่พอเหลือกินพอใช้แล้วที่บ้านอดอยากขาดแคลนออย่าลืมพ่อลืมแ ม, ม่เบื้อผู้ที่มีพ่ะคุณดูแลท่านก่อนเอเมื่อท่านได้รับการดูแลพอเพียงแล้วทีนี้ค่อยไปดูแลค่อยไปดูแลพระ อ, อราหันต์พระพุทธเจ้าต่อไปถ้าอยากจะได้ธรรมะอทําบุญแล้วก็ต้องรอฟังเทศฟังธรรมไม่ใช่ทําบุญเสร็จก็พอพระให้พรเสร็จก็กลับบ้านไม่รอฟังเทศฟังธรรม ถ้าอยากจะได้ธรรมะที่มีคุณค่ายิ่งกว่าบุญต่างๆที่เราทำกันก็ต้องรอฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วถ้าฉลาดอาจจะมีดวงตาเห็นธรรมในขณะที่ฟังเลยก็ได้ มีชายคนหนึ่งขอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในขณะที่ทรงบินธบาติพระพุทธเจ้าบอกตอนนี้ไม่ใช่เวลาแสดงธรรมแต่ชายคนนั้นก็ขอร้องโปรดเถิดข้าพเจ้าอยากจะขอฟังแบบสรุปก็ได้เอาแบบสั้นๆก็ได้ขอให้ได้ฟังสักสองสัมคำก็ยังดีเมื่อขออย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธก็ทรงสอนว่าเธอจงสักแต่ว่าเห็นเวลาเธอเห็นอะไร สักแต่ว่าได้ยินเวลาเธอได้ยินอะไรสักแต่รู้ว่าเวลาเธอคิดคิดอะไรพอพูดแทนี้เขาก็บรรลุธรรมขึ้นมาเป็นพาาระอรหันต์ขึ้นมาเลยแล้วพระพุทธเจ้ารู้ได้ไงคนอื่นรู้ได้ไงว่าคนนี้บรรลุธรรมก็รู้ตอนที่คนนี้พอได้ฟังธรรมเสร็จก็ไปขอกราบขอบวชเลยมีศรัทธาอยากจะขอบวช ก็ขอลาไปเตรียมเครื่องบวชกันไปเตรียมตัวบวชระหว่างทางก็ไปถูกกระทิงขวิดตายพอพระพุทธเจ้าทราบพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้สร้างสถูกแล้วก็เอาอัฐิของชายคนนี้ไปบรรจุไว้ในสถูปการที่เอากระดูกของคนตายไปบรรจุไว้ในสถูกในสมัยโบราณสมัยพุทธกาลนี้มีมีบุคคลแค่สี่ประเภทเท่านั้นที่เขาจะบรรจุไว้ในสถู คือกระดูกของพระอรหันต์กระดูกของพระพุทธเจ้าพาระปฏิเจกกับพระพุทธเจ้ากับพระมาหาจากักรพรรดิเนี่ยนี่ก็เป็นการรับรองของพระพุทธเจ้าว่าชายคนนี้ได้บรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์เกิดจากการได้ฟังธรรมสั้นๆเพียงสองสามคำเท่านั้นเองเห็นอะไรสักแต่ว่าให้เห็นได้ยินอะไรสักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรให้สักแต่ว่ารู้คืออย่าไปปรุงแต่งอย่าไป งแต่งให้เกิดความโลภเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาท่านเองรู้เฉยๆปล่อยวางอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดอะไรจะดับก็ปล่อยมันดับไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปเสียใจกับมันคนที่มีปัญญาฟังปั๊บจะเข้าใจแล้วมีกําลังทําใจให้ปล่อยวางได้ก็บรรลุได้ทันทีนี่แหละคือประโยชน์ที่จะได้นับ จากการไปทําบุญกับพระอรหันต์นอกบ้านแต่ก่อนจะไปก็ต้องดูแลพระอรหันต์ในบ้านก่อนคือพ่อแม่ก่อนพอพระอรหันต์ในบ้านได้รับการดูแลพอเพียงแล้วถ้ามีเหลือก็ไปทําบุญกับรพระอรหันต์ภายนอกไม่มีก็ไปหาพระอรหันต์ได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทอง ไม่มีเงินทองมาทำบุญก็มาฟังทำได้เนี่ยญาติโยมอยู่ที่บ้านที่ติดตามนี่ก็ไม่ได้ทาบุญทาทานก็ฟังทำได้นีไม่ต้องมีเงินมีทองถ้าเราอยากจะฟังธรรมอยากจะได้บรรุธรรมขอให้เรามีความศรัทธาเท่านั้นมีความเชื่อว่าไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับธรรมของพระพุทธเจ้ารถแห่งธรรมชนะรถทางปวง ลดแห่งธรรมก็ลดห่งการวิมุตติหลุดพ้นจากกางทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องมีธรรมะเท่านั้นถึงจะทำให้เราหลุดพ้นได้ความรู้ต่างๆในโลกนี้เป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่สามารถเอาตัวเองรอดพ้นจากกามทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีความรู้ทางธรรมนี้เท่านั้น ที่จะพาให้เราได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้อันนี้แหละคือเรื่องของศรัทธาถ้ามีศรัทธาแล้วไปเถิดไปวดัดไปฟังเทศฟังธรรมไม่มีเงนินไม่มีทองไม่เป็นปัญหาอะไรไม่มีบัตรเข้าไปฟังเทศฟังธรรมเมีที่ไหนก็ขายบัตรแม้เวลามีพระแสดงธรรมไม่มีใช่เไเป็นความรู้วิเศษยิ่งกว่าความรู้ที่นักพทยากร ขายบัตรให้คนไปซื้อกันแต่คนไปซื้อบัตรกันเพราะโลคเพราะวิทยากรคนนี้จะบอกวิธีลงทุนซื้อหุ้นชนิดไหนแล้วจะรวยก็ยอมเสียเงินตีตั๋วเข้าไปฟังแต่ก็ได้ก็อย่างมากก็ก็ได้ได้เงินทองจากการไปฟังนั้นเองแต่ถ้าไปฟังธรรมนี้ได้การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ต้องกลับมาทุกข์ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปออนี่คือเรื่องประโยชน์ของการทำบุญทำทานออมีสองระดับด้วยกันระดับโลกียะก็คือทำบุญก็จะได้ไปสวรรค์ไปเป็นเทวดา ถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมก็จะได้โลกุตระธรรมถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลก็จะได้ไปสู่ระดับของพระอริยบุคคลเข้าสู่กระแสของพระนิพพานจาก ไม่ต้องไปถึงพระนิพพานไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากจะต้องไปถึงพระนิพพานถ้าปฏิบัติต่ออาจจะแค่เจ็ดวันก็ได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีนี่คือคำรับประกรันของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบั ต, ติตามแบบสุปฏิปันโน คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเต็มที่ปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนทุกประการถ้าปฏิบัติแบบนี้แล้วพระพุทธเจ้ารับประกันไม่เจเดือนก็เจดปีไม่เจไม่เจวันก็เจเดือนเจ็เดือนก็เจปีจะต้องถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนนี่คือ การทำบุญทําทานเราจึงต้องเลือกทํากันถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องเลือกไปทําที่วัดแล้วนอกจากวัดแล้วก็ต้องเป็นวัดที่มีพระอาริยบุคคลด้วยถึงจะได้ทำแท้ถึงจะได้ทำที่จะทําให้เราหลุดพ้นได้นถ้าไปฟังธรรมจากพระที่ยังไม่เป็นพระอาริยก็เหมือนกับไปเรียนจากคนตาบอดนะน่ะคน คนที่ยังไม่เป็นพระอริยนี้ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมนะยังไม่เห็นอริยสัจสียังไม่เห็นไตรลักษณ์ <c oughs> ก็จะไม่สามารถมาสอนให้บรรลุธรรมของพระอริยบุคคลได้ต้องมีพระอริยบุคคลเป็นผู้สอนถึงจะได้เรียนได้รู้ธรรมที่พระอริยบุคคลได้เห็นด้วยตาดวงตาแห่งธรรมอ น, นี่ ถ้าเราต้องการทําก็ต้องไปทําที่วัดแล้วก็ต้องรอฟังเทศฟังธรรมไม่ใช่เพียงแต่ใส่บาตรถวายสังฆทานกวดน้ําเสร็จก็กลับบ้านนอันนี้ก็ได้แค่โลกิยะธรรมได้เป็นเทวดาถ้าอยากจะไปเป็นพระอริยบุคคลไปนิพพานก็ต้องฟังธรรมหรือสนทนาธรรมเนี่ยอย่างในหลวงรอเก้าวนี้ท่านก็ไปกราบพระอยู่เรื่อยๆ เรื่องที่ท่านไปปฏิบัติภารกิจทางภาคอีสานนี่บางวันตอนบ่ายๆท่านจะไปกราบครูบาอาจารย์ที่ท่านเชื่อเคารพว่าเป็นพระสุปฏิปันโนแล้วก็ไปฟังธรรมไปสอนานาธรรมบางทีถึงค่ำมืดค่ํากว่าจะกลับไปบ่ายสี่โมงเคยเห็นครั้งหนึ่งท่านไปที่วัดป่าบ้านตาัดไปกราบหลวงตามหาบัวไปตอนบ่ายสี่โมงกว่ากว่าจะถอยรถกลับเกือบสองทุ่ม เพราะนอกจากสนทาธรรมฟังธรรมแล้วยังต้องมาโปรดญาติโยมที่มาคอยเฝ้ามาถามสารทุกข์สุขดิบมาถามว่าเขาขาดแคลนอะไรเดือดร้อนอะไรต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนี่คือเรื่องของการเข้าหาธรรมะต้องมีศรัทธามีความเชื่อว่าธรรมนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลก เป็นความรู้ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อเราก็จะเข้าหาหาพระที่มีธรรมะสอนเราปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตามพอได้ปฏิบัติตามแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะค่อยหายไปจิตก็จะยกระดับสูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ก็ขึ้นไปเป็นเทพเป็นเทพเป็นพรหม แล้วก็ไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเนี่ยจิตของพวกเรานี้สามารถพัฒนาได้จากมนุษย์ไปเป็นเทวดาด้วยการทาบุญทำทานจากเทวดาขึ้นไปเป็นพรหมก็ต้องถือศีลแปดนั่งสมาธิแล้วจากพรหมขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องเรียนธรรมะให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นอริยสัจสีให้เห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะบรรลุเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดขั้นของพระอารหันต์ก็จะไม่ต้องกลับมาอยู่ในสังสารวัฏอีกต่อไปจะไปอยู่ที่ที่เราเรียกว่านิพพานแทนที่ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด ที่ที่มีแต่บรำ ม, มาสุขคือปลมังสุขขังนี่แหละคือเรื่องของวันพระวันที่พระจ้าให้พวกเรามาพัฒนาจิตใจกันมาเอาสมบัติที่ยั่งยืนถาวรอย่าไปหลงกับการพัฒนาทรัพสมบัติแบบชั่วคราวแบบควันไฟตายไปมีใครเอาไปได้ไหมมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านก็ต้องทิ้งไปหมดไปแล้วก็ ไม่มีอะไรติดตัวไปอาจจะไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณก็ได้ถ้าไม่เชื่อบุญไม่ทําบุญะแล้วถ้าไม่เชื่อบาปไปทําบาปยิ่งไปใหญ่ยิ่งไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอะไรที่ไม่น่าพิศวงไม่น่าปรารถนาดัางนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมาทําตามคําสอนทุกวันพระควรเข้าวัดเข้าวัดมาพัฒนาจิตใจด้วยการรักษาศีลละเว้นอบายามุข ทำบุญทำทานหัดนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผลทันทีมันก็เป็นเหมือนกับการเริ่มต้นเรียนหนังสือมันไม่ใช่เรียนวันแราจะได้ปริญญาเอกมันก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆกว่าจะได้ปริญญาเอกนี้เท่าไหร่สิบสองบวกสี 2, ่บวกสองสิบแปดบวกห้ายี่สิบสามปีนั่นแหะคนถึงจะได้ปริญญาเอกกัน ทางธรรมก็แบบเดียวกันไม่ใช่พอมาเข้าวัดปุ๊บจะบรรลุทันทีอาทิ7เจ็ดวันเจ็ดเดือนนี่เป็นพวกที่เขาอยู่ระดับปริญญาแล้วพวกที่เขาไปบวชได้แล้วเขามีเวลาปฏิบัติได้ตลอดเวลายกเ ว, กเว้นเวลาหลับเท่านั้นถึงจะเข้าสู่ ระดับเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีได้อย่างพวกเรานี้อาทิตย์นึงมาแค่วันเดียวมาฟังเทศฟังธรรมสองสามชั่วโมงก็กลับแล้วอันนี้มันก็ต้องใช้เวลามากต้องอดทนต้องมีความเพียรพยายามทําให้มันมากขึ้นต่อไปอาจจะเพิ่มมาวัดเป็นสองวันสามวันแทนที่จะมาวันเดียวก็เพิ่มเป็นสองวันสามวัน ต่อไปก็สี่ห้าวันเจ็ดวันต่อไปก็มาอยู่วัดเลยอันนั้นแหละมันถึงจะเข้าสู่ระบบของเจ็ด ja วันเจ็ดเดือนเจ็ดปีได้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะฮาปุราปะริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวาสนมมิจโตสัพเพอปุเรนตูสังกปา จันโทปะนาราโสยะามณิโชติอราโสยะาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะโตอันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวันตนาสีฤทสานิจจังุทาปะจายโนจตา โธา ม, มาวัฏันติอายุวันโอสุขังภาลาังต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอยากจะถามก็ถามได้ในช่วงนี้เลยจะถามเองก็ได้หรือทําไม่ถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ผู้ติดตามทางบ้านค่ะวันนี้จาก f a c e b o o สามร y อยเจ็ดสิบห้าสามร้อยสิบหกวิทยุออนไลน์ยี่สิบสามผู้รับฟังบนขาเก้าสิบสี่รวมแปดร้อยแปดท่านค่ะแปดศย์ปด <laughs> พรุ่งนี้หวยหออกเชิญมีคำถามอยากจะถามเองก็ส่งไมไป หวยที่นี้ออกก่อนหนึ่งวันออกก่อนรัฐบาลศาสตร์ูเจ้าค่ะพระอาจารย์อลูกมีพูใกล้ใกล้ไหมหน่อยใกล้ใกล้หน่อยลูกมีข้อสงสัยเจ้าค่ะเวลาที่ลูกมาปฏิบัติธรรมแล้วแม่ของลูกชอบปฏิฆะในบุญที่ลูกมาปฏิบติมามาปฏิบัติธรรมพอเวลาลูกกลับไปเนี้ยแม่ก็จะชอบชอบบ่นชอบว่าหรือเวลาที่ลูกจะมาทุกครั้งเลยแม่ก็จะแบบว่าตลอดเลยเจา้าค่ะ ก็ปล่อยก็พูดไปเราก็ไม่ได้ไปทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนอะไรไม่ใช่เลแล้วก็ไปของเราเขาจะบ่นเราก็ห้างขอไม่ได้ก็ปล่อยเขาบ่นไปนะก็เท่านั้นเองบางครั้งที่แบบลูกอยากอธิบายพอลูกพูดไปอย่างเงี้ยจ้ค่ะมันเป็นการเถียงแม่โดยที่แบบลูกก็ไม่ได้เสียใจก็ยังไม่ต้องอธิบายไม่เ็นจะต้องอธิบายตรงไหนให้ลูกอยู่นิ่งๆเมื่อเขาไม่ไม่ยาไม่ยินดีจะฟังก็ไม่ต้องไปพูด แล้วก็ยินดีฟังก็บอกเขาว่าทำไมท่าก็ไม่ถามก็ไม่ต้องบอกเขาเราก็ไป<ะ>ถ้าเราทําหน้าที่ที่บ้านเรียบร้อยไม่มีบกพร่องถึงเวลาที่เป็นของเราเราจะไปทาอะไรก็เรื่องของเราใช่ไหม<ะ>เราไปดูหนังฟังเพลงล้วก็ไปได้ไปชอปปิง้งเราก็ไปได้ไปวัดทำไมไปไม่ได้มันก็เหมือนกันแต่เราอย่าไปหวังให้เขา อนุโมทนาสาธุไปกับเราอะไรทำนองนั้นเพราะบางทีเขาไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรดีอย่างไรเขาไม่รู้เขาอาจจะเป็นห่วงเพราะว่าสมัยนี้อาจจะไปที่ที่อาจจะถูกหลอกลวงก็ได้หรืออะไรทำนองนี้เขาเลยอาจจะเป็นห่วงเพราะเขาอาจจะได้ยินข่าวข่าวที่ไม่ดีมาเ้าก็เลยมองไปในแง่ไม่ดี แต่ถ้าเรามีความมั่นใจว่าที่เราไปเป็นที่ดีที่มีคุณมีประโยชน์ที่ปลอดภัยเราก็ไปของเราไปแม่ว่าไงก็ฟังไว้กลาบแม่เวลาแม่พูดเสรก็กลาบไป<ะ>ขอบคุณที่ให้คำคำสั่งคำสอนคำเตือนอย่าไปเถียงถ้าแม่ไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะให้เราพูดก็ไม่ต้องพูดฟังเหมือนเราฟังเทศไป แล้วจะทาตามหรือไม่ก็อยู่ที่ว่ามันถูกหรือไม่ถูกใชค่ะถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องไปทาตามไม่บาปไม่ไม่ไม่ขาดความเคารพแต่อย่างไรใ้าค่ะแล้วอย่างถ้าสมมติเวลาที่ลูกอยากจะมาวัดหรือมาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกควรจะบอกแม่ดีไหมเจ้าคะถ้าบอกแล้วเป็นเรื่องก็ไม่ต้องบอกอันนีาก็ไม่ต้องมาแล้วก็ไม่ต้องบอกเล้ต่ถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องบอกถ้าเขาถามก็บอกจ้าค่ะ แต่ไม่ต้องโกหกไม่ต้องไปปิดบังแต่ถ้าไม่จําเป็นไม่บอกได้ก็ถ้าบอกแล้วเป็นเรื่องก็อย่าไปบอกอบอกว่าจะไปธุระก็แล้วกันพูดแบบกว้างๆอย่าไปเจาะลึกรายละเอียดถ้าเขาถามเขาอยากจะรู้ก็บอกตามความเป็นจริงไปออ่ืคถ้าเขาบอกก็ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรก็ฟังไว้รับฟังไว้แต่ไม่ต้องไปเถียงเสร็จแล้วเราก็ไปของเรา เหมือนพระพุทธเจ้าท่านจะไปบวชต่อให้ช้างมาฉุดก็ฉุดไม่อยู่ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเวลาเราจะไปทางนี้เราต้องมีตัวอย่างที่ดีเป็นผู้ให้กำลังใจกับเราพระพุทธเจ้าคิดว่าไปง่ายหรือท่านยังต้องไปแบบดึกดื่นตีหนึ่งตีสองให้คนอื่นเขาหลับหมดแล้วถึงไป ก็ไปแบบคนรู้เดี๋ยวก็มีแต่คนทักคนห้ามนั่นเลยก็เลยต้องไปแบบไม่ให้ใครรู้เจ้าค่ะน ะ, ะไม่บาปไม่เสียความเคารพอะไรการไปทำความดีไม่บาปมันจะไปบาปตรงไหนไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมมันเจ้าค่ะนะเพราะลูกลูกกลัวแม่จะแบบเหมือนบาปตรงที่เวลาลูกมาทำบุญแล้วแม่ ตำหนิลูกอย่างเงี้ยจ้าก็เป็นความกรรมของเขาเองอที่เขาไม่มีดวงตาเห็นธรรมเขามีโมหะความหลงครอมงามจิตใจไปหลอกให้เขาเห็นการทําบุญเป็นของไม่ดีไปจ้าลูกลูกมีคําถามอีกหนึ่งคำถามจ้ะคือตอนนี้ลูกประกอบธุรกิจกับที่บ้านจ้าแต่ว่าลูกมักจะถูกคู่ค้าด้วยกันคดโกงแล้วก็มีลูกหนี้ หลายท่านที่แบบว่าติดหนี้เราแล้วแต่ว่าก็หายไปเลยแล้วก็ไม่ยอมคืนหนี้เราจะหนูควรจะทำยังไงอยาจะเป็นเทวดาไหมล่ะก็ยกหนี้ให้เขาไปเป็นการทําบุญไปเท่านีใครโกงก็ถือว่าเป็นการทําบุญไปหนูควรจะแผ่เมตตาก็เนี่ยเป็นเทวดาเนี่ยแผ่แบบเนี้ยแผ่ก็ยกให้เขาไปเนี่ย่คไม่ได้แผ่ด้วยคาถาคมแผ่ด้วยการยกหนี้ให้เขาไปปล่อยให้เขาโกงไปเจ้าค่ะ คิดว่าเป็นการทำบุญไปเราจะได้เป็นเทวดาไม่ดีกว่าเลยดีเจ้าค่ะมีทรัพย์แต่เป็นแค่มนุษย์เสียทรัพย์ไปแล้วเป็นเทวดานี่มานี่มาทำไมก็มาเสียทรัพย์ไม่ใช่นะมาเสียทรัพย์เพื่ออะไรเพื่อมาเป็นเทวดากันนี่เราอยู่ที่บ้านมีคนมาทาให้เราเป็นเทวดาโดยไม่ต้องมาวัดไม่ดีกว่าแล้วเจ้าค่ะ มองให้มันมองให้มันเห็นเลยแล้วมันจะทำอะไรนี้มันจะมีแต่ความสุขได้ก็สุขเสียก็สุขได้ก็ได้ทรัพย์ทางกายเสียก็ได้ทรัพย์ทางใจฮะคิดอย่างนี้มันได้ทั้งสองทางอืะก็เรียกวินวินไงสมัยนี้ต้องวินวินอันนี้แหละวินวินถ้าได้ทรัพย์มาก็ได้ทรัพย์ทางกายถ้าเสียทรัพย์ไปก็ได้ทรัพย์ทางใจฮะได้บุญอะมันได้ทั้งสองทางถ้ามองเป็น เข้าใจไหมเข้าใจเจ้ า, าค่ะสาทุกเจ้าค่ะห า, หาทุกเนะื้ะโยมอยากจะถามเองไหม <c oughs> ใกล้ๆแล้วถามเองไม่เ อ, า, <c oughs> า, อาอ่านอ่านกอความหนูโดนไล่ที่ที่ธรามมาหากินหนูขายของที่นี่มานานอยู่ๆเมืองก็มาไล่หนูอยากถามพระอาจารย์ว่าหนูจะได้กลับมาขายของอีกไหมคะ ตรงนั้นเขาคงจะไม่ได้กลับแล้วเมื่อเขาไม่ให้เราทําแต่มีที่อื่นต้องเยอะแยะในโลกนี้ไม่ใช่มีตรงจุดนั้นจุดเดียวะที่อื่นอาจจะดีกว่าที่เราทําก็ได้ก็อาจจะมองโลกไปในแง่ดีว่าถึงเวลาที่เราจะได้ที่ที่ดีกว่าอย่าไปคิดว่าเราเสียที่ที่ที่เลิศที่สุดในโลกมันมีที่ดีกว่านี้เยอะแยะละลอเราอยู่ถ้าไม่มีเหตุบางทีมันก็ไม่ทําให้เราอ่า คิดค้นหาที่ใหม่ที่ดีกว่าเนธรรมะท่านบอกว่าทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดใช่ไหมพอไม่ถูกเขาไล่ที่มันก็ขายอยู่ที่เดิมนะพอถูกเขาไล่ที่นี้ก็ต้องไปหาที่ใหม่เ่ไปจ้าเอได้ที่ที่ดีกว่าเก่าขายดีกว่าเก่าก็ได้นะให้มองโลกในแง่ดีไว้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์นะแล้วท้า้ดีก็ดีไม่มีที่ทํากินก็ไปบวชเถอะเลยเออ ได้ได้ทรัพย์ภายในดีกว่าทรัพย์ภายนอกนะ เ, เ, เนี่ยเราตกงานเราถึงมาบวชเนี่ยเราไม่มีงานทำจริงๆอ่ะไม่ตกงานลาออกจากงานไม่มีงานทำมาไม่มีงานทำก็ละมีเวลามาปฏิบัติธรรมเลยนะ น้องสงสัยว่าแล้วเมืองเขาจะให้เรากลับมาขายอีกไหมคะ่ะก็ต้องไปถามเมืองมาถามเราก็เมืองก็ไปคนตัดสินใจจะให้กลับมาไม่กลับก็ถามเขาตรงไปตรงมาเลยรสิจะให้กลับมาหรือเปล่าจะได้รู้แล้วรู้รอดไปไม่ให้กลับจะได้ไปหาที่ใหม่ถ้าให้กลับก็จะได้รอแต่รอไปอาจจะอดตายก็ได้ นะอย่าไปหวังอย่าหวังอะไรแบบนมนมนรงแรงเมืม่อตรงนี้มันพึ่งไม่ได้แล้วก็ต้องไปหาที่พึ่งใหม่ก็ไปหาที่พึ่งเถิดมีที่เยอะแยะไปคนมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศหากินพัทยาเ ย, ยอะแยะไปหมดใช่ไหมแต่ทำไมก็มาหากินได้เขามาไกลกว่าเราอีกเราไม่มีที่ตรงนี้เราก็ไปหาที่ก็ได้อาจจะเป็นความขี้เกียจของเรามากกว่าติดที่ไง พอมีที่หากินแล้วก็พอแล้วไม่อยากจะดิ้นรนมันก็เลยไม่ได้ที่ดีสักทีได้ดีนี้มีปัญหาแล้วเนี่ยทุกเกิดแล้วปัญญาตามมาแะ้กูต้องหาที่ใหม่แล้วคิดหาที่กันแล้วเดี๋ยวไปเจอที่ดีกว่าเก่าขึ้นมาแล้วจะขอบใจเมืองว่าโอ้ oh, นี่ถ้าไม่มาไล่ฉันฉันก็คงจะไม่ได้เจริญก้าวหน้า <laughs> นะมองโลกในแง่ดีเถอเอิดมีคําถามเองไหม ค่ะคำถามจากคุณทศกณัณลงกาอาชีพปล่อยเงินกู้เป็นบาปหรือไม่ครับและการกู้คิดดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบเปอร์เซ็นต่อวันผู้ปล่อยบอกว่าเป็นการช่วยผู้ที่จําเป็นกําลังลําบากจึงไม่บาปมันก็ช่วยแต่มันเป็นการช่วยคนกู้คนปล่อยกู้ด้วย มันมันเขาเรียกว่าอาชีพแบบกำไรเกินควรกำไรเกินแต่ก็ไม่บาปเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ยอมด้วยกันทั้งสองฝ่ายเหมือนขายของแล้วขายของแพงคนก็ยินดีซื้อเขาก็ซื้อไปเท่านั้นเองเงินก็เป็นเหมือนสินค้าอันหนึ่งใช่ไหมพอเขามากู้เราก็หักกำไรไว้ก่อนลอะกู้ร้อยหนึ่งก็หักไว้ยี่สิบแล้วเอาไปแค่แปดสิบเนี่ยแต่เวลาคืนต้องมาคืนร้อยหนึ่ง อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นการซื้อขายเงินทองแลกเปลี่ยนเงินทองกันออก็มีทั้งได้มีทั้งเสียไปเจอพวกที่กู้แล้วมันไม่จ่ายก็มีเหมือนกันเั้นบางทีคนกู้ก็อาจจะเจ๊งก็ได้ถ้าไม่มีหลักทรัพย์ถ้าไม่ฉลาดบางที่ปล่อยกู้ถ้าฉลาดเขาไม่ปล่อยกู้แบบไม่มีหลักทรัพย์พอปล่อยไปแล้วเดี๋ยวเกิดเขาไม่จ่ายขึ้นมาจะทําไปบังคับก็ได้ยังไง เขาหนีไปอย่างงี้หนีไปอยู่ที่อื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการค้าขายไม่ถือว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปแต่อย่างใดถ้าอยากจะได้บุญก็ปล่อยกู้แบบไม่เอาไม่เอาดอกสิแล้วไม่เอาต้นด้วยยิ่งดียัะมันจะคืนก็คืนไม่คืนก็ไม่ว่ามันอย่างนี้ถึงจะได้บุญคําถามจากคุณพจน์ ผมนั่งไปสักพักใบหน้ามึนตึงๆครับแล้วก็กลืนน้ำลายตลอดผมผมควรจะแก้ไขอย่างไรดีครับพ็ไม่ได้นั่งสมาธินั่งน่ะนั่งสมาธิต้องอยู่กับพุโทโธพุธโทโธอยู่กับลมหายใจอย่าไปอยู่กับการกลืนน้ำลายนะเวลานั่งเนาไม่ต้องกลืนน้ำลายน้ำลายมันจะไหลปล่อยมันไหลไปอย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปถ้าใช้พุโทโธ ถ้าดูลมก็ดูลมไปไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นๆจะเจ็บต้องนั้นปวดตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าไปสนใจก็แสดงว่าเราหยุดนั่งสมาธิแล้วเราไปนั่งสนใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้แทนมันผลก็จะไม่เกิดเห็นเวลาเริ่มนั่งเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องอะไรต่างๆที่จะปรากฏขึ้นมาน้ำลายจะไหลจะแน่นหน้าอกปวดศรีรษะก็ไม่ต้องไปสนใจพุโทโธพุทโธไปทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปดูลมไป ไม่ต้องสนใจกับอะไรอย่าหยุดถ้าหยุดแล้วมีปัญหาจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางคำถามจะคุณสถิตพรเวลานั่งเวลาปฏิบัติธรรมนั่งหนึ่งเดินหนึ่งบางครั้งมีอาการทุกขเวทนาปางตายแต่บางครั้งเบาสบายทั้งบรลังเลยเจ้าค่ะไม่ทราบว่าแบบไหนเกิดธรรมมากกว่ากันเจ้าคะอ๋อถ้ามันนั่งสงบก็ได้ทําแบบหนึ่ง ก็คือได้สมาธิถ้านั่งแล้ปวดถ้าใช้ปัญญาได้ก็จะได้ปัญญาถ้านั่งแล้ผ่านความปวดได้โดยที่ไม่ไปขยับร่างกายปล่อยให้มันปวดไปแต่ใจไม่ปวดไปกับร่างกายอันนี้ก็จะได้ทําระดับปัญญาที่สูงกว่าระดับสมาธิคือสมาธิมีสองระดับระดับสติ เช่นเวลานั่งไปพุทโธพุทโธดูลมไปแล้วใจก็สงบไม่มีทุกขเวทนาอันนี้ก็เรียกว่าได้ระดับสมาธิระดับสติแต่ถ้านั่งไปแล้วเจออาการเจ็บปวดขึ้นมาแล้วใช้ปัญญามาแยกกายแยกใจแยกแยกเวทนาออกจากกันได้เห็นธรรมเห็นว่าร่างกายเป็นอย่างหนึ่งเห็นเวทนาเป็นอย่างหนึ่งเห็นใจเป็นอย่างหนึ่ง ต่างฝ่ายต่างอยู่ต่างฝ่ายต่างไม่มายุ่งเกี่ยวกันเวทนาก็ปล่อยเขาแสดงไปร่างกายก็ปล่อยให้มันนั่งไปใจก็เพียงแต่สักแต่ว่ารู้ไปสงบไปอย่างนี้ก็จะได้สมาธิแบบปัญญาที่แน่นกว่าที่นานกว่ากว่าสมาธิแบบสติก็ได้ทั้งสองแบบแล้วแต่ว่าเราจะนั่งแบบไหนคําถามจากคุณตืออริยยนต์ หายใจเข้าพุทธออกโทได้หรือเปล่าครับหรือพุทโทอย่างเดียวหรือดูลมอย่างเดียวอย่างไหนถูกต้องและสะดวกที่สุดครับถูกทั้งสามอย่างนะแต่เราจะชอบจะกินเส้นใหญ่เส้นเล็กแล้อกินเกาเหลา ก, กินมันก็เป็นอาหารเหมือนกันกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันอันนี้ก็แบบเดียวกัน จะกินเส้นใหญ่ก็ได้เส้นเล็กก็ได้จะพุทโทยอย่างเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้จะผสมกันก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นไปลองดูเลยมีสามแบบชั่วโมงนี้ลองนั่งแบบพุทธโทยอย่างเดียวชั่วโมงต่อไปลองแบบดูลมอย่างเดียวชั่วโมงต่อไปลองดูพุทเข้าโทออกดูเราดูว่าอันไหนมันทําให้ใจเราสงบง่ายกว่ากันก็เอาอันนั้นไป จ ะ, จะผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้าพเจ้าทำบุญและทำความดีอย่างสม่ำเสมอในแต่ละวันจนบางครั้งตัวเองก็จำไม่ได้ว่าในแต่ละวันทำบุญอะไรไปแล้วบ้างจำเป็นหรือไม่เจ้าคะที่เราต้องจดบุญและทำความดีให้เราได้จดจำเพื่อเวลาที่เราใกล้ตายข้าพเจ้าจำความดีได้เพื่อจะได้ไปอยู่ในสุขติเพราะข้าพเจ้ากลัวว่าใกล้จะตายสติจะหลุด และนึกบุญไม่ออกเจ้าค่ะอ๋อไม่ต้องจําละเหมือนกินข้าวกินขนมวันนึงเราจดไว้เป่ะวันนี้กินข้าวกี่คํากินขนมกี่คําดื่มน้ํากี่ดื่มไปมันก็มีผลขึ้นมาในร่างกายทําบุญก็มีผลในในใจเหมือนกันบุญก็เหมือนกับอาหารของใจอกินข้าวกินขนมก็เป็นอาหารของร่างกายไม่ต้องไปจดผลมันจะบอกเองคือความอิ่มถ้ากิน ถ้าท่านยังไม่อิ่มก็กินต่อไปกินให้อิ่มถ้าใจยังไม่อิ่มไม่สุขไม่พอก็ทำไปเรื่อยๆไม่จำเป็นที่จะต้องมาจดรายการว่าวันนี้ทำบุญกี่บาททำกับใครที่ไหนอย่างไรไม่ต้องเพราะว่าบุญทำแล้วมันจะส่งผลขึ้นมาในใจเราทันทีแล้วเวลาตายบุญมันก็จะมาจัดการกับดวงวิญญาณของเราต่อไป มีผู้ฝากถามนะคะน้องตั้งครรภ์ค่ะเขาแอ บ, บคบกับแฟนพ่อแม่ไม่รู้แฟนน้องให้ไปทำแท้งน้องเขาสับสนมากขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำด้วย <k> ค่ะก็ไปค่าคนนะถึงแม้จะเป็นเด็กในท้องก็เป็นคนเหมือนกันฮะก็ไปทำบาปนะถ้าไม่อยากจะทำบาปไม่อยากจะไปเป็นเดรัจฉานไปเป็น ไปตกนรกก็อย่าไปค่าอย่าไปทําแทงถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็เอาออมาแล้วก็ยกให้คนอื่นเข้าไปมีคนเกาอยากมีลูกแต่เขามีลูกไม่ได้เยอะแยะไปไปฝากสถานเด็กเลี้ยง เ, เด็กกาพร้าก็ได้หรือบางคนที่รู้จักบางคนเขายินดีเนี่ยรู้จักสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาก็ไม่มีลูกแล้วเขาก็เนี่ยมาเจอเด็กคนหนึ่งไปตั้งท้องแล้วก็สามี หรือแฟนเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบตัวเด็กเองก็ไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงเด็กคนสามีภรรยาคนนี้ก็บอกว่าเขาจะรับเลี้ยงเป็นลูกเองนะตอนนี้เด็กก็โตมีความสุขกับพ่อแม่แม่พ่อแม่บุญธรรมเขาเนั้นอย่าไปทําลายชีวิตทําแล้วต่อไปมันจะกลับมาหาเราต่อไปเราไปเกิดในท้องใครก็จะถูกเขาทาแท้งเงาไม่ใช่อะไรจะไม่มีโอกาสได้เกิดนะ ถ้าเราไปทําบาปแบบไหนเราจะถูกบาปแบบนั้นกลับทํากั บ, ก, บกับเรากงกรรมกงเกวียงเขา้าใจไหมถ้ามันใดจะต้องได้รับผลกรรมอันนั้นยานี้อย่าถ้าไม่อยากจะถูกเขาทําแทงกับเราอย่าไปทําแท้งกับคนอื่นเลี้ยงดูไปเถิดได้บุญได้กุศลถึงแม้ว่าเราจะไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงเขาต่อไปข้อเรามาก็ไปฝากที่สถานเด็กเลี้ยงเลี้ยงเด็กกาพ้าไป หรือถ้ามีใครอยากจะเอาไปเป็นลูกบุญธรรมก็ยกให้เขาไปคำถามจากคุณสุบินวันนี้เป็นวันาศาสจีนลูกจัดของไหว้ตามตามแม่ที่เคยทำมาแต่ใจลูกไม่เชื่อในการไหว้ลูกนิมนต์พระมารับสังฆทานเอาของไหว้แจกคนแล้วอุทิศบุญให้ญาติแบบนี้ลูกทำถูกไหมเจ้าคะรู้สึกอิ่มใจมากๆถูกก็ลถ้าอิ่มใจก็ถูกทาบุญ ต้องมีการเสียสละแบ่งปันไม่ใช่ทำบุญแล้วก็ามากินเองไปตั้งไหว้เจ้าสักสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอามากินกันเองอย่างนี้ไม่ได้เสียสละแบ่งปันไม่ได้บุญได้แต่ทำพิธีได้แต่เล่นลิเกเล่นงิ้วไปเคยเห็นเขาเล่นงิ้วไหมเล่นลิเกไหมมันก็เล่นแบบนั้นเน่ไม่ได้มีผลประโยชน์แต่อย่างใดถ้าอยากจะได้ผลประโยชน์ต้องมีการเสียสละแบ่งปัน เขาของเงินทองของเราให้แก่ผู้ที่เขาเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนก็ได้ให้ใครก็ได้ให้เขามีความสุขขึ้นมาเราก็มีความสุขเกิดขึ้นค่ะคำถามจากคุณจินขอบขอกราบเรียนถามวิธีฝึกพิจารณาอสุภะปฏิกูลควรทําอย่างไรครับก็เหมือนกับเรียนนักศึกษาแพทย์นะก็ดูว่าดูร่างกายในส่วนที่เรามองไม่เห็นนะ นักศึศาากษาแพเขาก็ต้องไปดูการผ่าศพผ่าร่างกายเพื่อจะได้เห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ภายใภายใต้ผิวหนังจะได้เห็นโครงกระดูกจะได้เห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นอะไรต่างๆอันนี้พิจารณาเพื่อให้เราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเพื่อที่เราจะได้ไม่ไมหลงรักใครง่ายๆ ส่วมากเราจะหลงรักเพราะเพียงแต่เห็นรูปน่่งหน้าตาก็ไปหลงรักเขาแล้วแต่ถ้าเรามองลึกเข้าไปภายในมองเห็นโครงกระดูกของเขามองเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้อาการที่หลงรักมันก็จะหายไปอันนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการอยู่เป็นโสดอยู่คนเดียวเช่นนักบวชทั้งหลายต้องอยู่คนเดียวต้องมันดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอยู่เรื่อย เพื่อที่จะได้ระงับความรักความอารมณ์ความใครในบุคคลต่างๆแล้วจะได้อยู่เป็นนักบวชไปได้ไม่ต้องมาแอบทำบาปแล้วก็ถูกเขาจับศึกไปในภายหลังคำถามจากคุณแอลละกี้เกิลตอนเราตื่นเรามีสติรู้ลมหายใจแต่สมมุติว่าถ้าตอนเราหลับ แล้วรถชนตายขณะที่กำลังหลับเราจะมีสติรู้กายรู้ใจได้อย่างไรคะจะดูกายดูใจอย่างไรเมื่อหลับอยู่อ๋อเวลามันมีอะไรกระทบกับร่างกายใจมันจะรู้ทันทีแล้วจะมีสติมีปัญญาปฏิบัติกับเหตุการณ์นั้นหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราได้ซ้อมมาก่อนหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ซ้อมมาก่อนเราก็จะสอบตก ถ้าซ้อมมาก่อนเราก็จะปล่อยวางร่างกายไม่ไปยึดไปติดไม่ไปทุกข์แล้วแต่อันนี้ต้องอยู่ที่การซ้อมเราต้องพยายามมันปฏิบัติทำอยู่เรื่อยๆเพื่อรอรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเวลาเกิดขึ้นนี้ใจมันจะรู้ขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะหลับหรือไงมันจะรู้ทันทีมันจะตื่นขึ้นมาทันทีแล้วถ้ามันเคยซ้อมมาก่อนมันก็จะปล่อยทันที แต่ถ้ามันไม่เคยปล่อยมันก็จะยึดทันทีมันก็จะกลัวมันก็จะเครียดขึ้นมามันก็จะเป็นบ้าขึ้นมาทันทีเหมือนกันอย่นอยู่ที่การฝึกฝนอบรมนะให้เราซ้อมไว้เหมือนนักมวยฮะพอซ้อมแล้วพอตีละคังปั๊บมันก็ออกมุมเข้าสู้เลยจิตก็เหมือนกันจิตถึงแม้จะนอนหลับมันไม่ได้หลับแบบแบบคนตายหลับเนี่ยพอมีอะไรมันกระทบกับร่างกายหแรงมันก็ตื่นขึ้นมาทันที มมัััันนนนก็จะปฏิบิบตห้าทททีี่ของคําถามจากคุณเป่ายมมีห้องแถวอยู่ห้องหนึ่งน้องชายไม่มีที่อยู่ได้ให้มาอยู่แต่เขากลับไม่กระตันอยู่อยากได้มากกว่านั้นอีกโยมก็ไม่ไม่ได้มีมากมายพอเลี้ยงตัวเองพวกอาก็มายุน้องชายอีกว่าโยมไม่ช่วยพี่ช่วยน้องถามว่าการที่ให้น้องชายอาศัยตึกแถวอยู่โยมได้บุญหรือไม่คะได้เราก็ได้เสียสละ ห้องแถวไปแทนที่เราจะไปให้เขาเช่านะเพื่อจะได้ไดรายได้เราก็ให้เขาให้น้องชายไปอยู่มันก็ได้บุญอยู่แล้วแต่เขาอาจจะไม่พอความโลภของเขาอาจจะทําให้รู้สึกน้อยไปอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เราก็ให้เท่าที่เราจะให้ได้หมดแล้วยังมีอีกค่ะถามต่ออีกสองสองสามนาทีคําถามจากคุณ ประสิทธิ์ขอความเมตตาอธิบายสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนพาไปครับผมลองไปถาม Google ดูดีกว่าใส่เข้าไปดูเราก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ขออภัยด้วยไม่รู้ทุกอย่างที่นี้ไม่ใช่ Google เราอยากจะรู้ไปถามสิลิก็ได้ถาม Google ก็ได้ถามอเล็กซ่าก็ได้โอ้ยเดี๋ยวนี้มีผู้ตอบคำถามไทยเยอะแยะ บิกซบี้ก็ได้ใช่ไหมไ <laughs> ถามมันได้หาให้มันฟังดูแล้วมันจะตอบให้เราเองอ่ะมันตอบภาษาไทยได้เปล่าพวกนี้เดี๋ยวนี้ฟังภาษาไทยได้เป่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะไม่เคยใช้มันนะเคยเคยใช้แต่เป็นภาษาเคยเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยยังอาจจะไม่ไพัฒนานซีริซีริเป็นภาษาไทยภาษาไทยได้นะนี่ คำถามจากคุณสุชาดาเวลาเราเดินจงกรมภาวนาพุทธโธไปด้วยจังหวะการเดินกับลมหายใจต้องสัมพันธ์กันด้วยหรือไม่คะเวลาภาวนาพุทธโธก้าวเท้าขวาเวลาขอโทษค่ะเวลาภาวนาพุทก้าวเท้าขวาโเก้าเท้าซ้ายใช่หรือไม่เจ้าคะ อันนี้คำถามสุดท้ายเนี่ยเวลาเดินอย่าไปเอาหลายอย่างปนกันเอาอย่างเดียวพุทโธอย่างเดียวก็พอหรือจะดูเท้าก็ดูเท้าอย่างเดียวไม่ต้องดูลมเพราะตอนเดินนี้ลมลดูยากดูลาบากให้ดูเท้าหรือพุทโธหรือผสมเท้ากับพุทโธได้เดินก้าวเท้าซ้ายก็พุทโธก้าวเท้าขวาก็พุทโธไปตามจังหวะของการเดินแต่ถ้าเอาลมมาด้วยเดี๋ยวยุ่งไปใหญ่เลย ไหนลมจะเข้านมจะออกไหนจะเท้าจะซ้ายจะขวาไหนจะพุทธจะโทเดี๋ยวก็กลายเป็นความวุ่นวายไปไม่ใช่เป็นความสงบไปงั้นเอาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างมากก็ผสมสองอย่างถ้าเดินก็ให้ดูเท้าเป็นหลักหรือพุโทโธเป็นหลักหรือผสมกันก็พุทเก้าวพุทธซ้ายขวายก้าวซ้ายก็ว่าพุทโทก้าวเท้าขวาก็พุทโทไป เพื่อไม่ให้ใจมันไปคิดเรื่องราวต่างๆป้าหมายคือต้องการหยุดความคิดเท่านั้นเองเพื่อใจจะได้นิ่งจะได้สงบอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด